50 languages. ห้าสิบแปดอัฐวันจาอวัย เริ่มจากศีรษะก่อนสบพตไปลนาะมัท t ผู้ชายสวมหมวกอาดมีเนตอ ป, ปีไปเหมองไม่เห็นเส้นผมอมองไม่เห็นหูด้วยมองไม่เห็นหูด้วยมองไม่เห็นหลังด้วย อุจดีพื้นที่ได้ฉันกำลังวาตาและปากแม่อัคคะอัต ब ์ाูบดอนด้าฮะแม่อัคค ह อผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะ आदमी नाचरिया है अते म ु स ् क มุสะราเผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว आदमीदी नाक लंबी है เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาเขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นหนาวแต่เขาก็หนาวแขนแข็งแรง บाามัจบูตหันขาก็แข็งแรงด้วยลต้าวิมัจบูตหันผู้ชายคนนี้ทำมาจากหีมะเฮ้ ม, มนุษย์วอรाฟดาบันเยาะเยะเหีแต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคอลุม उ อ न สเนปต न ลูนอเท नहीं प ไม่เพนเนียเหีแต่เขาก็ไม่หนาวสั่น पर उसनों ठांड ल เขาคือตุกตาหิมะโอ้เอกหิมมานุ म ा न व है